ขอให้ยันยมจงเจริญสติสร้างความลึกรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกของตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งเช่น ก, ก, ก, ก, กันตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างสติรู้ว่าเจริญสติมันสำรวจกวดตราดูตัวเราทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกเจนเป็นอัตโนมัตินั่งตามเริยาบทของเราให้สบายฟังไปด้วยน้อมและลึกรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกของเรา ถูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆสักสองสามที่มกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเยาะยาความคิดต่างๆก็จะหยุดก็จะดับความขังบุญความพงศันต่างๆก็จะหยุดฟังไปด้วยน้อมมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจอยู่ที่ปลายจมกูกนั่นแหละเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินแล้วก็พยายามสร้างความรู้ตัวขึ้นมา แต่พลังเผแลรวก็เริ่มใหม่พลังเผแล้วก็เริ่มใหม่ในหลักธรรมซึ่งท่านเรียกว่าการเจริญสติแล้วพยายามเจริญให้ต่ตนึกไม่ใช่ว่าเราไปนึกเอาไปคิดเอาว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนั้นเป็นสติปัญญาของโลกียะไม่ใช่สติปัญญาที่จะเข้าไปสำรวจจิตของตัวเราเราสร้างความรู้ตัวก็เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดแล้วก็รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างทาความเข้าใจ กับสมมุติกับวิมุติอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติทำอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงตรงนี้เราต้องไปามมั่นวิเคราะห์หมันทั้งเกตส่วนนามธรรมาแล้วก็รูปธรรมกายของเราเนี่ยกรูปส่วนจิตส่วนความคิดส่วนอารมณ์นั่นก็เรียกว่านามธรรมาซึ่งจิตของเราเขาไปหลงเขาไปยึดจนเกิดอัตตาตัวตนแล้วก็เป็นธาตุของกิเลยเป็นธาตุของอารมณ์ต่างๆถ้าเรามาละกินเล็มาคลายความหลงอ๋อ เราก็จะมองเห็นสภาพจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์แจ่มใสถ้าเรายังแยกไม่ได้ปลายไม่ได้จิตของเราก็ยังวิ่งอยู่กับกองบุญกองกุศลอันนี้ก็เป็นอานิสงส์การสร้างตระบัสร้างบา ร, รมีเราต้องพยายามมัดมิโคตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมากายของเราทําหน้าที่อย่างไรตะวันทั้งหกของเราทําหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมะสัจจะว่าดูสัจจะว่ารู้สัจจะว่าฟัาง เป็นลักษณะอย่างไรนี่แหละบุคคลเช่นนี้แหละจะเข้าถึงธรรมได้เร็วได้ไวจิตเกิดความโลภความโกรธจิตเกิดความใจยานอยากจิตเกิดความกินดีกินร้ายในสิ่งต่างๆก็รู้จักระงับรู้จักดับรู้จักควบคุมลักษณะของจิตที่สงบลักษณะของจิตที่ปล่อยวางลักษณะของจิตที่แยกจิตออกจากความคิดเป็นลักษณะอย่างไรอาการเป็นอย่างไรความว่างจิตที่ว่างจากกิเลส ความสงบความปกตินั่นแหละคือสินนั่นแหละคือสมาธิถ้าเราปลายจิตออกจากความคิดได้หรือว่าแยกรูปแยกนามได้นั่นแหละคือตัววิปัสสนาเริ่มเปิดทางให้สมาธิเปิดทางให้ถ้าเราไม่สังเกตไม่วิเคราะห์จริงๆก็อยากที่จะเข้าใจเราต้องเป็นคนที่หัดสังเกตหัดวิเคราะห์แต่เราหวันตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ยองไปยังมนุษย์จากที่ นี่วอนทำเข้าครอบงำคิดของเราหรือไม่จิตของเรามีความผงซ่านมีความกังวลมีความกำหนัดกนดีในรูปรสกลิ่นเสียงหรือไม่จิตของเรามีความลังเลงสงสัยหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามหัดวิเคราะห์ตัวเราอยู่ตลอดเวลาความบะลึกรู้ตัวของเราพลังเผลอไหมตั้งแต่เช้าขึ้นมากกนจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้จิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเป็นกุศลหรือว่าอกุศลเหตุการณ์จากข้างนอกมาทําให้จิตของเราเกิดสักกี่อย่าง ความบื mm. ้องลึกรู้ตัวของเราพลั้งเผอไปไหมถ้าพลั้งเผยล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่พลังเผยเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาจนให้ต่อเนื่องถ้าเรายังแยกจิตคลายจิตออกจากความคิดออกจากขันห้าไม่ได้ความเบื้องลึกรู้ตัวหรือว่าสติของเราส่วนมากจะพลั้งเผยขนาดเราตั้งสติธรรมแท้ๆก็ยังพลังเผอต้องเป็นคนที่ขยันขยันมันเพียนจริงๆขยันมันเพียนขมเหนียกโน้มดูลู่ภายในตลอดเวลา ทางนอกเราก็ทําตามหน้าที่ของสมมุติรู้จักหน้าที่รู้จักกระปิดชอบต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมไม่เกิดคลานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีความเฉลี่ยละคนที่จะฝึกหัดปฏิบัติตึงจุดหมายปลายทางได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเฉลี่ยละอย่างยิ่งยวดเฉลี่ยละทั้งฝ่ายนอกเฉลี่ยละทั้งฝ่ายในกําลังกายกําลังใจแม้ตั้งแต่กําลังสติปัญญาเราก็ต้องพยายามเราไม่เข้าใจแนวทางเราถึงจะเสาะแสหาแนวทาง ซึ่งแนวทางก็มีอยู่แล้วคือพระพุทธองค์ท่านในค้นพบเราก็มาเปิดเผยให้สัตวโลกได้เดินตามก็คือการจเจริญพรหมีหารเดินตามทางในเรือมรักในองค์8 เ, เพียงแค่เราพยายามดําเนินให้ถูกต้องในข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิทําอย่างไรเราจริตของเราต้องจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้เราก็ต้องพยายามหัดสังเกตจนปวดจิตของเราจะแยกคลายออกจากความคิดนั่นแหละซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีความรู้แจ้งเห็นจริงตั้งแต่แรกมันก็กดจางไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยๆกา ร, ยารพูดจางชอบตำแหน่งชอบการทําการงานชอบทุกสิ่งทุกอย่างสมาธิชอบมันจะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปถ้าเราแยกได้แล้วถึงแม้เราไม่ตามทําความเข้าใจจิตของเราก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมเราต้องเป็นคนที่ขยันขยันตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนอกจากเราจะนอนหลับมันดูมันรู้มันชําน้าสิเลออกไปจิตจะแก้ของเรา สภาวะจิตเดิมแท้ของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์าะว่าจิตเดิมแท้นั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพราะความไม่รู้หรือว่าความหลงนี่แหละทําให้จิตของเราเกิดความอยากเป็นธาตของอารมณ์เป็นธาตของกิเลสเกิดความทะเยอทยานอยากอยากในรูปอยากในรสอยากในกลิ่นอยากในเสียงเพียงแค่เราละงับดับความอยากเราก็ไม่จับให้ต่อเนื่องบางทีก็ดับได้เป็นบางครั้งบางเรื่องบางคราว แต่การแยกการคลายการดับได้เด็ดขาดนีนอกจากบุคคลที่ขยันจริงๆแต่เขาอย่าลืมในการสร้างกระบะสร้างบารมีเรามีศรัทธาเต็มเปี่ยมในคุณพระธนตาหรือไม่เรามีความเชศระในการบริจาคในการให้เพื่ออนุเคราะห์มีผมมีหานมองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีไม่มองโลกในแง่ร้ายเรามีสักรูตัวเราเองสัตรูตัวเราเองแล้วก็สัจรูกับคนอื่นพูดจริงทาจริง ไม่มีมายาไม่มีตะเลทะัยไปที่ไหนเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้แหลยจะเข้าถึงความมืยสุดได้เร็วได้ไวการเจริญสติเป็นอย่างนี้การดับการละการสังเกตการแยกการทําความเข้าใจเป็นอย่างนี้ทําไมเราถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็สำรวจตัวเราเร า, เรามีความเจ็ดค้านไหมเรามีความเฉ ส, สละอย่างยิ่งยวดไหมเรามีความรับผิดชอบไหมถ้าคนเราไม่มีความรับผิดชอบ ต่อตัวเราเองแล้วต่อส่วนรวมก็ยิ่งแต่ใหญ่ใหญ่เราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนตัวต่อส่วนรวมสิ่งเล็กๆล็กน้อยน้อเราก็ไม่ปล่อยทิ้งเราก็ไม่วางทิ้งแม้แ ต, ต่การหายใจเข้าออกหายใจอย่างไรถึงจะเป็นธรรมชาติที่สุดหายใจอย่างไรเราถึงจะรู้เท่าทันความคิดเล็กๆกน้อยน้อยมันเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดจากจิตหรือว่าเกิดจากขันห้าหรือว่าเกิดจากภายนอกเข้ามาปรุงแต่งเราต้องดูรู้ในความคิดนั้นเป็นกุศลหรือว่าอกุศลอีก จะเป็นอกุศลเราก็ละเป็นกุศลเราก็จเจริญให้มีให้เกิดขึ้นเมตตาสติปัญญาถ้าเป็นอกุศลเราก็ละเราก็ดับถ้าเป็นกุศลเราก็จเจริญแต่ไม่ให้ยุดแยกรูปแยกนามให้ได้ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องวิบากกรรมเข้าใจในเรื่องกรรมอาการนองขันห่า น, ะนะนะั่นแหละตัววิบากกรรมมาปรงแต่งจิตของเราให้จิตของเราหมุนเป็นวงคมกลมตลอดเวลาหมุนวิ่งไปตามอารมณ์ตามสิ่งต่างๆ่าตลอดเวลาถ้าเราแยกได้เหมันก็เราตัดวงคม สัตวงขลมมันก็หมุนต่อไม่ได้เราทําความเข้าใจเราค่อยละละเทละเล็กละเทล ะ, ล ะ, ล ะ, ละ น, น้อยจากนี้น้อยแต่หามา ก, มากๆขึ้นมันก็จะค่อยเหยืแท่งไปเหยือแท่งไปเหมือนกับเราปลูกคนละหมากลากไม้เราจะไปเล่นให้เขาออกดอกออกผลแค่วันหนึ่งวันเดียวก็ไม่ได้ดเราต้องอาศัยความเพียนอาศัยเวลาหมัน่นดูแลหมั่นรักษาเขาเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้การปฏิบัติจิตก็เหมือนกันถ้าเราฝักใฝ่ในบุญในกุศล มีการวิเคราะห์มีการพิจออารณามีการดับมีการละมีการเจริญพมมีหารตลอดเวลาถ้ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาของเราเพียบพร้อมสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับปองกิดในเรื่องการแยกรูปแยกนามในเรื่องการทําความเข้าใจกับอนัตตาอนัตตาพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องดับทุกข์แต่คนเราถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์เรากลัวกันความทุกข์ในกายของเรานี่แหละก้อนทุกข์เกิดมา มันก็ทุกข์อยู่แล้วตั้งแต่กเกิดนั่นแหละมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยัมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นรังแห่งโรคโรคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่างทันถึงว่าเป็นก้อนทุกข์แต่พวกเราก็มาหลงมายึดแต่ในทางสมมุตินั่นก็เป็นของเราอยู่ในทางวิมุติเราต้องจําแนกแจกแจงแยกแยะให้ชัดเจนเราถึงจะรู้ว่ากายก็สัตแต่ว่ากา ย, ากากายซึ่งประชุมกันเข้าของธาตุ 4, ซึ่งมีวิญ ญ, ญาณเข้ามาครอบครอง อันนี้เราต้องจำแนแกแจกแจงจริง ๆ, ๆ, ๆเราถึงจะเข้าถึงตรงนี้ถ้าเราจำแนแกแจกแจงไม่ได้จะพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจบุคคลที่มีสติมีปัญญาเมื่อฟังรู้แนวทางแล้วก็จะไปเลี้งทำความเพียรการสร้างความบ ร, รึกรู้ตัวเป็นอย่างนี้ีสติทั้งเถอบเป็นนี้เราต้องเริ่มขึ้นมาใหม่มีความเพียรอยู่ตัวเราเรารู้ไม่ทันเราก็รู้จะดับรู้จัดแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่คนเดียวก็สนุกถ้าเรารู้จัดแก้ไขตัวเราเอง แยกกรุบแยกนามได้ย <Mu> ิ่งสนุกใหญ่เราจะรู้เท่าทันว่ากิเลตตัวไหนจะมาหลอกเราเราก็จะรู้เราก็ตามทําความเข้าใจรู้ไม่เท่าทันเราก็เริ่มใหม่รู้ไม่ทันเราก็เริ่มใหม่อะไรคือจิตลักษณะของจิตลักษณะของความคิดเป็นอย่างไรลักษณะของสติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าสติปัญญาสมาธิถ้าเราทําความเข้าใจได้แล้วเขาจะรักษาเราช่วงใหม่ๆเราต้องสร้างขึ้นมาเสียก่อน สร้างขึ้นมาแล้วก็ไปทําความเข้าใจถ้าจิตรู้ <c oughs> เห็นตามความเป็นจริงแล้วเขาไม่เอาหลอกทุกข์เขาไม่เป็นทาสของกิเลสหรอกแม้แต่ความอยากแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไปอยากมาต้องละออกให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาแล้วก็ทําหน้าที่ด้วยสติด้วยปัญญาจะเอาจะมีจะเป็นก็เอาด้วยสติเอาด้วยปัญญาเอาด้วยเหตุเอาด้วยผลทั้งนั้น แต่ทุกคนไม่เข้าใจเอาด้วยความอยากทำด้วยความอยากแม้แต่แต่ปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้ทำมันจะไปได้อย่างไรความอยากมันปิดกั้นเอาไว้หมดความอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้ทำด้วยความอยากในหลักธรรมแล้วท่านก็ให้ละความอยากมาเจริญสติมาสร้างผู้รู้เข้าไปสำรวจตรวจตาดูรู้ให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงแล้วก็ค่อยละเราไม่อยากจะได้มันก็ได้เองนั่นแหละถ้าเรารู้จักคนทางเดิน ส่วนมากก็มีตั้งแต่ทําด้วยความทะเยอทะยานอยากอยากทุกสิ่งทุกอยาก่างอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากไปไม่อยากมาซึ่งเป็นของละเอียดละเอียดลึกลงไปเพียงแค่อยากอยาพวกเราก็ยังทําความเข้าใจไม่ต่อเนื่องกันเพียงแค่การเคลื่อนไหวของกายหรือว่าการหายใจเข้าออกกเจริญสติก็ยังไม่ต่อเนื่องกันไปปฏิบัติธรรมที่ไหนไปฝึกที่ไหนถ้าเราไม่สนใจฝักไฝ่ ไม่ขยันมันเปลี่ยนให้กับตัวเราเราก็ยากที่จะเข้าใจเราต้องทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระโยบบ่อยอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาทุกคนขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่มีเวลาทุกขณะจิต